ในฐานะที่มาวันนี้ก็จะมาทําหน้าที่เป็นเทวทูตทูดของพยายมเพื่อมาเตือนจิตสกิดใจมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในบรรยายให้ทุกทุกท่านเนี่ยได้รับประโยชน์ตามสมควรเกตเวลาต้นเรื่องเนี่ยเสี่ยววินาทีที่ประมาท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 ขาดสติ <c oughs> เป็นอยู่อย่างขาดสติตรงข้ามกันนะถ้าประมาทแสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็จะไม่ประมาทสติเราเคยได้ยินมามากเคยเข้าใจไหมความหมายสติแปลว่าอะไร <c oughs> สองคำสติเนี่ยความหมายกว้างมากเกื้อกูลเราก็ทั้งเกิดจนตายเลยถ้าขาดตัวสติตัวเดียวเท่านั้นน่ะชีวิตเราก็ อาจจะไปไม่รอดก็ได้สติคือความระลึกได้คือความไม่หลงลืมตัวคือสภาพติจิตใจไม่เลื่อนลอยไม่เหม่อลอยรู้ว่าตอนเนี้ร่างกายเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่สติรู้ว่าจิตใจเราเนี่ยคิดอะไรเลื่อนลอยไปไกลแค่ไหน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 เรากลายเป็นคนที่เหมือนเมื็นคนที่ไม่มีชีวิตเลยเคยสังเกตไหมสติเนี่ยคือชีวิตถ้าขาดสติปไปแล้วก็เหมือนเราไม่มีชีวิตเพราะอะไรเพราะจิตใจเราจะเลื่อนลอยเปน็นอารมณ์ต่างๆางนี้เราบางท่านเนี่ย น, นั่งที่เนี่ยนัง่งฟังตาแป๊บนะดยเหมือนจะเป็นการฟังแต่บางทีใจเราคิดไปนะคิดไปเรื่องอื่นเนี่ยแต่เราขาดสติแล้ว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 เราไม่อยู่กับการเดินเลยบางทีเดินเลยเดินเลยในที่ที่เราต้องการจะไปได้วยซ้ำไปเพราะเราโม่แต่เพลินกับการพูดคุยโทรศัพท์และที่สาคัญนะเดินข้ามถนมนคุยโทรศัพท์เนี่ยเ <c oughs> ห็นเราไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดิน <c oughs> เพราะจิตใจเราลอยไปกับการพูดคุยเนี่ยคือการขาดสติแม้กนระทั่งเรากินเรากินอาหารเนี่ยบางทีเราก็เผลอนะอยู่กับการกิน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 ปรุงแต่งทำอะไรทำด้วยความเคยชินด้วยความชำนาญมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายเลยโดยเฉพาะการทำงานเนี่ยตัวสาคัญมากการทำงานถ้าว่าเราไม่มีสติโยงจิตใจอยู่กับปัจจุบันกับแดงงานของเราเนี่ยหรืออยู่กับหน้างานของเราเนี่ยมันอันตรายมันเกิดการผิดพลาดแล้วก็ไม่มีความสุขการทำงาน เพราะทำงานตรงนี้ถ้าจิตใจคิดไปข้างล่างจะต้องรีบทำให้เต้็จจะต้องทำให้ดีต้องทำให้มากไม่อยู่กันกับตัวไม่อยู่กับแดนงานตรงนี้มันเริ่มมีปัญหาแล้วแล้วก็ไม่มีความสุขคนที่ทำงานแล้วไม่มีความสุขเนี่ยเป็นเพราะว่าทำไปคิดไปทาไปคิดไปคิดกังวลหลายๆอย่างหวังผล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 ทำงานไม่ได้สวมหมวกนิรภัยเขาใช้เครื่องเครื่องเจียเครื่องเจียที่เป็นหินน่ะแล้วก็ไม่ตรวจสภาพก่อนด้วยใช้เครื่องเจียเจียเหล็กตอนนี้ว่าเครื่องเจียเนี่ยไอแผน่นมาเนี่ยมันขันไม่แน่นมันขันไม่แน่นเวลาเปิดสวิทช์มาเนี่ยมันมีอาการสั่นขันไม่แน่นแต่เข้าไปเจียหินเอาไปเจียเหล็ก พอไปเจียเหล็กแล้วเนี่ยมันเกิดการสบัดหินน้่มัตกเลยแต่ประสะเกตเนี่ยตัดตัดตั้งแต่ศรีรษะไปถึงกระโหลกศีรษะเลยนะถึงมันสมองเลยกะโหลกจะตัดเลยเครื่องเจียเหล็กเนี่ยมันเจียเหล็กได้แล้วมันเจียกะโหลกศรีรษะนี่มันเลยไม่ยากแล้วตัดไปเลยเนี่ยศรีรษะด้านหนึ่งสมองเนี่ยตากไปเลยกลายเป็นอวมาภาพ ครึ่งซี่เดินไม่ถนัดแล้วก็สมองนี่เบลอไปเลยเพราะว่าไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ไม่สำรวจดูอุปกรณ์ที่นีลซะก่อนว่ามันพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่แล้วตัวเองเลยเดือดร้อนจากวิศวกรที่มีอนาคตรุงโรนเนี่ยกลายเป็นคนพิการแบบช่วยตัวเองไม่ได้ลูกกับภรรยาต้องแยกไปอยู่ที่หนึ่งเขาต้องไปทางานเลยลูกภรรยาทิ้งไปอีกที่หนึ่ง ตัวเองต้องไปเชิญชีวิตอยู่กับคุณแม่อันนี้ประมาทแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยปเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งชีวิตเลยจากคนเมียนัุดลุงโลดเอวิศวกรเนี่ยกลับมาการลงกฎพิการที่ไม่มีคุณค่าเลยอันนี้เกิดจากไม่ทำตามกฎไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ไม่ตรวจดูอุปกรณ์ที่จับร้อยแล้วก็เสี่ยงกล้า <c oughs> เกิดความประมาทขาสติ เสียหน้ากวเพืเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้อ่านตามกฎเขามีหลักอยู่ว่าต้องทําตามกฎต้องมีจิตสํานึกที่ต้องมีสติไข้ ค, ควนซะก่อนแล้วค่อยทําแล้วก็อย่าเสียยเส่ยงอย่าเสี่ยงและที่สําคัญอีกอย่างที่บอกว่าอีกสองข้อนะนะ่าต้องคอยเตือนนะอะไรที่มันไม่เรียบร้อยต้องคอยระวังคอยเตือน อันนี้เป็นหลักสำคัญเลยถ้าเรามีจิตสำนึกนทำตามอย่างนี้อย่างเข่งทัดเนี่ยสัก5าข้อเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะดีขึ้นในการทำงานอันนี้เป็นซึ่งความปลอดภัยอันนี้คือภัยภายนอกที่มาสู่ตัวเราแต่ผมจะเสนออีกอย่างหนึงคือภัยที่น่ากลัวนะก็คือเริ่มจากตัวเราเไปภัยข้างนอกไม่เท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่ไปผิดพลาดเนี่ยไม่เป็นไร แต่ว่าตัวเราสำคัญมากภัยร้ายที่น่ากลัวเนี่ยอยู่ที่ตัวเราแล้วนั้นผมจะมีภัยสามภัยที่พวกเราต้องระวังไว้ภัยสามภัยตัวนี้กำลังคุกคามมากคุกคามกับคนทุกคนที่ไม่มีจิตสานึกไฟไหม้น้ำท่วมผีหลอกมีอยู่สามภัยอยู่ตัวเราเนี่ยมียไฟไหม้มีน้ำท่วมมีผีหลอก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 วิธีการเลิกบุหรี่เนี่ง่ายๆ ง, ง่ายนิดเดียวนัคืออย่าไปสูบมัน <c oughs> ถ้าไปสูบรับรองเลิกได้อ่ปาปากเขาไว้มันสูบไม่ได้แนละ้วพราะมันเผาปอดเรามันไมีประโยชน์อะไรละเนีอยเนี่ยเป็นภัยัยหนึ่งที่น่ากลัวนะบุหรี่เนี่ยเลิกเมื่อใดก็ควรเลิก <c oughs> อันนี้เป็นภัยหนึ่งอีกภัยหนึ่งเมื่อกี้นิดบุหรี่คือไฟไหมใช่ไหมน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ย <c oughs> คือเหล้าหรือสุลาสุลาแปลว่าเหล้ากินแล้วเมาเดินโซเซสุราแป ล, ว, ล, แปลว่ากล้าอสุลาก็าไม่กล้าเห็นไหมพวกอสุลกาเลยเนี่ยไม่กล้าเจอหน้าหลบหน้าแต่สุลาแปลว่ากล้าดื่มสุลาเดิมเหล้ายอมใจสังเกตดูคนเดิมสุลานี่ทำชัว่วทุกอย่างเลยศีลห้าข้อมีข้อเดียวที่น่ากลัวคือข้อสุลา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 กลา้าบ้าบินสุราผมเรียกเสมอว่าเป็นน้ำประทุสรลายสติเป็นน้ำละรลกเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยมีคนบอกกัไอย่างเงี้นนะบอกสุราเนี่ยเป็นน้ำที่สุนัขไม่ดื่มโอ้ไลยแรงมากเลยน้ำที่สุนัขไม่ดื่มเพราะนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเลิกได้ควรเลิกถ้าเลิกไม่ได้ก็ควรเลิกอะแต่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 ท่าจะเลิกท่านเลิกเล่าได้แล้วแต่เลิกบุหรี่ไม่ได้บุหรีเลิกไม่ได้ก็เลยลงทุนบวชเลยเพื่อจะเลิกบุหรีเนี่ยมาหาผมที่บ้านนครสวรรค์นะบอกอาตมาจะเลิกบุหรี่ได้อย่างไรบอกกูไม่ยากเลยอย่าไปถูมันถ้าไม่ถูมันเลิกได้ทันทีแล้วจะทําไงจะไม่สูบอ่ะก็คือต้องมีสติฝึกสติก่อนและฝึกสติแล้วมันจะเลิกสูบบุหรีเลิกบิ่มเล่าได้อย่งไรเลิกทําชั่วได้อย่างไง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 ท่านเผลอเดินออกนอกลานจงกรมไปเลยนะเดินไปที่ย่ามเดินไปที่ย่ามเพื่อจะไปคว้าบุหรี่ขึ้นม า, ม า, ม า, ม า, มาเอามาดูอวสุบท่านรู้ตัวพอถึงยา่ามปั้บรู้ตัวแล้วโอฬิขาสติเดินออกนอกลานจงกรมไปเลยเพื่อจะไปหยิบบุหรี่ท่านเผลอตัวแล้วก็ตั้งสติได้มันเริ่มเดินเดินจงกรมใหม่แต่ผมบอกว่าแล้วพระกุณเจ้าจะเอาย่ามไปทําไมลนะ่ะอัตมาต้องมีบุหรี่ไว้ก่อนเพื่อ ให้กำลังใจถ้าเวลาอาตมาอยากมากๆท่านอ า, าตอมาก็จะหยิบบุหรี่มาดมๆแล้วก็เก็บไว้เหมือนเดิมไม่สูบดมก็ยังดีบอกถ้าท่านยังพก บ, บุหรี่ติดย่างหรือว่าท่านจะเลิกไม่ได้ถ้าอะไรตัดสินใจเดินโจกงกรมไปพอเดินไปทิ้งย่านปับคว้าบุหรี่คว้างทิ้งเลยคว้างก็ไม่นานเจ้าไปยญญาเลยตั้งแต่นัน้นตุ๊กตุ๊กมาท่านเลิกสูบบุหรี่เลยท่านบอกว่าท่านเห็น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 เพราะมีสติรู้ทันใช่หไหมเวลามันเกิดความอยากปับ๊บถ้าเราขาดสติแล้วก็ทําตามความอยากแล้วเราก็เสพเสพแล้วก็ติดติดแล้วก็ไม่จบอะมันก็ไม่อยากเรื่อยๆทีนี้พอเราเกิดความอยากปั๊บมีสติรู้ทันไม่ทําตามความอยากทุกอย่างจบจบตรงไม่ทําตามความอยากเนี่ยวิธีการเอาชนะ น, นี่ง่ายๆไม่ต้องไปถ้ำกับบอกไม่ต้องไปไหนด้วยเนี่ยเมื่อกี้นี้ไอ้ภัยร้ายสามข้อที่ว่าเราควรระวังคือ ไฟไหม้น้ําท่วมอีกข้อมันคืออะไรนะอ่าผีหลอกแสดงว่าตั้งใจบางผีหลอกอนี่ น, น่ากลัวนะ เ, นเมื่อกี้มีคนใบอะไรเอ่ยผีหลอกอ่าการพนันเนี่ยผู้ที่ตีการพนันเนี่ยหมายถึงผู้ที่โดนผีหลอกแล้วผีพนันผีหลอกน่ากลัวนะเดี๋ยวเนี่ยมีหลายอย่างมีพนันฟุตบอลพนัน หวยเล่นหวยเมื่อสามวันที่ผ่านมาก็หวยออกแล้วติดแล้วไม่เลิกอ่ะเลิกยากมากเลยผีพนันเนี่ยเลิกยากมากเลยมีเรื่องเล่าเล่าหนึ่งว่าอย่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งท่านใบหวยเก่งใครไปขอหวยท่านท่านบอกหวยได้ถูกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนใ <c oughs> บหวยว่าถูกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนใครไปหาท่านเนี่ย ท่านก็ให้เลขนี้แหละอยากได้ไหมเลขเด็ดท่านให้ไว้เลขเด็ ด, ดว่ามีอยู่สามเลขเลขสองห้าและก็แปดแล้วท่านบอกว่าระวังเลขข้างเคียงและศูนย์มาแรงด้วยเนี่ให้แล้วนะสองห้าแปดระวังเลขข้างเคียงแล้วก็ศูนย์มาแรงเลขข้างเคียงของสองคืออะไร หนึ 1> 1่งกับสเลขข้างเคียงของห้าล่ะสี่กับหเลขข้างเคียงของแปดละ่ะเจกับเก้าศูนย์มาแรงครบเลยทุกทุกงวดแต่ไม่ถูกทุกคนนะ <c ười> รไปหาท่านยังไงแบบเนี้ยให้ไปเนี้ยเพราะนั้นภัยสามภัยระวังให้ดีนะเนี่ยไฟไหม้น้ำท่วมผีหลอกบุหรี่สุราการพ น, นันเลิกได้ดีมากเลย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 เนะพราะฉะนั้นการทํางานก็ดีการใช้ชีวิตก็ดีเนี่ยขอให้เรามีสติเป็นตัวหลักไว้เล ย, เลยพอมีสติเราก็ทําตามกฎพอมีสติเราก็มีจิตสํานึกไคลควรก่อนที่จะทำํำพอมีสติเราก็ไม่ประมาทพอมีสติเราก็ไม่เสี่ยงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะว่าตัวเดียวท่านนั้นเป็นตัวหลักสําคัญเลยอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยเราต้องมาใส่ใจตรงเนี้ยเพราะฉะนั้น เรื่องของการทํางานเนี่ยก็ต้องอาศัยหลักที่เรามีกฎหข้อแล้วก็มีสติควบคุมอยู่แล้วอยากจะเตือนบอกวันนี้คือเรื่องของการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยสำคัญมากคนทั่วไปจะได้ประมาทในการใช้ชีวิตเรายังไม่แก่เรายังไม่มีความทุกข์เรายังไม่เจ็บไข้ได้ดป่วยเรายังไม่ตายเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้หลงเรื่ไปกับความสุข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 จะมองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่งความเป็นจริงทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ประมาทในยามที่เรามีความสุขเนี่ยถ้าเรามีสติคุ้มครองมีธรรมะอยู่เนี่ยความสุขนี้จะอยู่ได้นานเลยเพราะฉะนั้นต้องมีธรรมะเอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันทางจิตเวลาเจอปัญหาชีวิตจะได้แก้ปัญหาได้ใหญ่เหมือนอย่างชีวิตผมผมนี่ แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่องธรรมะเลยเพราะวาธรรมะเนี่ยมันไม่จำเป็นสลัดชีวิตเรามีข้าวกินมีงานทําธรรมะเนี่ไม่จําเป็นและผมตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเป็นลูกชาวเรือใครรู้จักเรือบ้างเรือที่โยงกันเป็นเขาเรียกพ่วงกันในละร้านเจ้าปยาไปร้านเจ้าปยาผมอยู่เรือผมไม่มีบ้านสามัยก่อนอยู่ที่เรือ แต่เล็กๆเลยสนามเด็กเล่นผมก็คือแม่น้ําผมทําำลายแบบประมาทไอ้ว่าประมาทเนี่ยคือว่ารู้เท่าไม่ถึงการมีความท้าทายมากในชีวิตเจออุปสรรคเนี่ยไม่ย่อท้อท้าทายชอบเล่นน้ํำกระโดด น, น้ําจากลังคาเรือลงมาในน้ํากระโดดน้าลงไปแล้วก็นาลอดใต้ท้องเรือไปโดดโปยขั้นเกาะเรือเรือพวกเนี่ยไปเกาะเรือบางทีก็ใช้เวลาเรือก็พวกกันจะมีเชือกใช่ไหม ผมก็ใช้ถอยในตายตายไปตา ย, ตายมาสนุกไม่รู้ว่า น, นั่นคือเหตุของทำํำเราต้องผิดพลาดในชีวิตทางนั้นเลยสนุกกับการเล่นเรือเล่นน้ําอย่างนั้นเวลาเรียนหนังสือผมก็ชอบเล่นกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยเล่นจริงเล่นจังเอาจริงเอาช่างแล้วผมจะมีอาการเจ็บตัวบ่อยๆนั่นเป็นสัญญาณเตือนไปแต่เราไม่เข้าใจ จนกระทั่งมารับราชการสอนเป็นครูพระลึกษาสอนอยู่ที่อ่างทองเนี่ยวิทยาลัยพระลูกษาจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวนี้ก็เป็นสถาบันพระศึกษาแล้วสอนว่ายน้ํานีครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่ทําให้เราจดจําในชีตจนกระทั่งปัจจุบันนสอนวิชาว่ายน้ํากระโดดน้ำลงไปในสระว่ายน้ำเนี่ยสระมันมีสองด้านด้านหนึ่งคือด้านลึกอีกด้านหนึ่งคือด้านตื้น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 ปกติแล้วผมไปไหนไม่ค่อยได้หรอกจะนอนอยู่บนเตียงเคลื่อนไหวได้น้อยมากจะไปไหนก็ต้องมีคนช่วยแต่อยู่บนเตียงบนช่วด้วยการมีสติศึกษาชีวิตศึกษาเรื่องของกายเรื่องของใจจนเข้าใจชีวิตทําใจกับสภาพเช่นนี้ได้อยู่อย่างไม่ต้องมีความทุกข์เปลี่ยนตอนแรกขาดสติมีความประมาทจนร่างกายพิการต่อมาเปลี่ยนช่วยด้วยการปฏิบัติธรรมนะ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 จากคนปกติมากลายเป็นคนพิการแล้วก็ใช้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเปลี่ยนชีวิตจากร้ายมาปลายเป็นดีได้ในตอนหลัง mm hmm. ข้เพาะการปฏิบัติธรรม mm hmm. เนี่ยเพราะเรื่องราวของผมจึงเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับทุกท่านเนี่ยในท้าที่ผมเป็นเทวทูตมาเตือนจิตสกิดใจว่าไม่ควรประมาท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 สองสามครั้งเนี่ยความเครียกก็จะหายไป <Yeah. S 1> เวลาใจมันโกรธหายใจเข้ารู้ <Yeah. S 1> หายใจออกรู้สึกเนี่ยความกรธก็หายไป <Yeah. S 1> สามคำ <Yeah. S 1> เวลาเจออุบัติภัยเนี่ยให้ตั้งสติให้ได้ก่อน <Yeah. S 1> แล้วสติเนี่ยจะช่วย <Yeah. S 1> นําเอาปัญญามาแก้ปัญหาเหตุการณ์เหล่านั้นได้ <Yeah. S 1> คนบางคนเนี่ ย, ยเช่นเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยขาดสติเลยทําอะไรไม่ถูก ลงลืมทาให้ถูกตื่นนกตกใจบางทีดูทีวีอยู่เนี่ยไฟไมหม้คว้าลีโมวแน่นเดียวอันนี้เพระาะขาดสติดังนั้นถ้ <c oughs> าะะหาว่าเกิดอุบัติภัยเนี่ยตั้งสติให้ได้ก่อนอื่นตั้งสติได้ก่อนเพราะมีสติแล้วเนี่ยสติก็จะช่วยจะช่วยทำให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิแก้ปัญหาเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีแลวก็ไม่ผิดพลาด นะคาถาเนี่ยสามควาศักดิ์สิทธิ์มากให้รู้สึกตัวเนี่ยคาถาที่ต้องําแต่ไม่ต้องทลองถ้าจะให้ดีด้วยนะให้คาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเจอปัญหาเจออุบัติภัยต่างๆเนี่ยวิ่งหนีด้วยจะช่วยคาถาอย่างไวิ่งหนียังมีสติเนี่ยมันช่วยคาถาได้บางคนวิ่งแบบขาดสติไปเลยกเ็กเจ๊งไปเลยวันนี้ก็ยินดีนะเนี่ยได้มาพูดคุย